มีพระสารีบุตรพระสารีบุตรไปเจอเด็กอยู่คนหนึ่งเด็กคนนี้เนี่ยเป็นขอทานท่านก็เกิดกรุณาสงสารชักชวนไปบวชกันไหมอย่ามาขอทานางนี้เลยเด็กนั้นก็บอกว่าถ้ามีใครบวชให้ก็จะบวชไม่มีตังค์ไม่มี ไม่มีเงินที่จะไปซื้อบาทไม่มีเงินที่จะไปซื้อจีวรไม่มีไม่มีทรัพย์อะไรที่จะไปขอบวชได้เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราบวชให้เองมีเรามีบาทมีจีวรที่วัดมีถ้าท่านถ้าเธอผู้กระเดกนะถ้าเธอยินดีที่จะไปบวชรักษาพรหมจรรย์ก็จะบวชให้เด็กขอทานนั้นก็ดีใจมีนิสัยที่จะทำดีอยู่แล้วมีนิสัยที่จะ ประพืชพรมอาจารย์แต่ด้วยอากุศลที่ตัวเองเคยทำทำให้ต้องมาเป็นขอทานอากุศลนั้นแรงนะมาบวชเป็นเนรแล้วไปบินทบาทเนี่ยคนดูแล้วเห็นบาทเปล่าเปล่าเนี่ยเหมือนบาทเต็มด้วยข้าวก็เลยไม่ใส่บาทใส่แค่กระบวยเดียวและคนอื่นจะรู้สึกว่าข้าวเนี่ยเต็มบาทเลย ไปเดินพิธบาตรแล้วเนี่ยข้าวมีแค่กระบวยเดียวในบาตรเนี่ยไปจนตลอดทางแล้วกลับมาถึงวัดฉันอย่างนั้นนะจนบวชพระแล้วก็เป็นอย่างนี้ไม่มีมื้อไหนที่กินอิ่มเลยไอ้พระไม่กินนะพระต้องฉันนะไม่มีมื้อไหนที่ฉันอิ่มเลยแต่ท่านก็มีนิสัยที่จะทำสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนา กินไม่อิ่มนี่แหละแต่ก็ทําสมถะทำวิปัสนาจนเป็นพระอาหารหันต์ได้ขนาดนั้นเลยนะวิบากเก่าทําให้ไม่สามารถที่จะมีลาบแล้วก็ฉันอิ่มได้แต่นิสัยเก่าที่บําเพ็ญคือทําสมถะภาวานาวิปัสนาภาวานามาทําให้พระสารีบุตรเห็นแววเห็นแววก็ชวนมาบวชบวชจะเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ยังกินไม่อิม ด้วยความที่ท่านไม่ค่อยได้กินอะไรสารอาหารน้อยร่างกายก็ซุดโทมก็จะมรณภาพมรณภาพง่ายก็ใกล้จะมรณภาพแล้วพระสารีบุตก็เห็นแล้ว่าวันนี้แหละจะมรณภาพแล้วอยากจะสงเคราะห์ให้ท่านได้ฉันอิ่มสักวันหนึ่งก็ชวนไปถ้าท่านไปบิณฑบาตองคเดียวนะคงไม่มีใครใส่บาตรชวนไปดีวกว่าเรา ไปที่ไหนเนี่ยใครๆก็รู้จักว่าภาษาลิบุตรเนี่ยเป็นอัครสาวกเบื้องขวาน่าจะมีคนใส่บาตรเยอะเดินไปเชิญนิมนต์ท่านเดินตามหลังเดินตามหลังไปก็บุญของภาษาลิบุตรกับบาปของท่านเนี่ยนะคิดว่าอันไหนชนะ <laughs> บาปท่านแรงมากเดินไปเนี่ยนะภาษาลิบุตรเนี่ยปกติเดินไปเนี่ยทุกคนจะตื่นเต้นโอ้ ภาสาลิบุตรมาภาษาลิบุตรมาเตรียมอาหารมาใส่บาตรวันนั้นนะพอพระองค์นั้นเอ่ยชื่อท่านหน่อยพระโลสกะโลสกะเป็นพระเถระเป็นพระอาหารหันนะแต่บาปเก่าเนี่ยยังให้ผลอยู่เดินไปเนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านไม่เห็นเลยชาวบ้านไม่ใส่ใจเลยไม่รู้เลยว่าภาษาลิบุตรเดินผ่านมาเดินมีตบาตไปนะจนถึงปลายทางไม่มีใครใส่บาตรเลย พระารีบุตรบอกโอ้บาปท่านเยอะนะมีบากแรงมากเลยนะเอางี้ดีกว่ามีมลกลับวัดเดี๋ยวผมบินาบาทอีกรอบหนึ่ง <c oughs> มลกลับวัดไปรอไปรอที่กุฏินะไปรอที่กุฏิเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมบินาบาทเองดีกว่าโอ <c oughs> ้ไม่ไหวไม่ไหวเอาไปไปไปับขับขับปั บ, บเดี๋ยวผมไ ป, อปรอภาษสารีบุตรก็พอสุดท้านะให้ปั๊บโลสะกะเนี่ยเดินกลับก่อน ท่านพระโลสกาก็เดินกลับตัวปลิวเลยเพราะไม่มีใครทักไม่มีใครใส่บาตอะไรเลยถึงวัดเร็วมากเลยตรายบุต ก, ก็รอสักพักหนึ่งให้ท่านเดินไปก่อนให้ให้มันหายหายไปก่อนวิบากหายไปก่อนอ่า <c oughs> <c oughs> ลงแล้ะไปเดินปรากฏพอเดินไปนะชาวบ้านตกใจ <c oughs> อ้าวท่านมาเมื่อไหร่ไอ้มื่อกี้นี่ทําไมไม่เห็นเออขนขวายนี่มลใส่บาตจนเต็มนะพอบาตเต็มแล้วเนี่ยก็มีลูกศิษย์ใหม่อีกองหนึ่งบอกลูกศิษย์บอกว่าเอานะ เอาบาทนี้นะไปถวายท่านพระโลสกะนะให้ท่านได้ฉันนะอะเดี๋ยวเรารออยู่นี้แหละรอบาทปรากฏว่าลูกศิษย์ไปถึงที่วัดเอ๊ะท่านอาจารย์ให้เรามาให้ใครวะนึกชื่อไม่ออกพอถึงเขตวัดแล้วนึกชื่อไม่ออกให้ใครให้ใครหให้ใครถามหาคนเดินให้ใครให้ใครนึกไม่ออกให้ใครเอ๊ให้ใคร ไม่รู้ว่าท่านให้ใครให้พระนี่แหละงั้นมาเรามาฉันด้วยกันมาปรากฏว่าอาหารนั้นไม่ถึงมือพระโลสกะแต่พระทั้งหลายได้ฉันเรียบร้อยแล้วพระสารีบุตรรอนานแล้วเอ๊ไม่มาสักทีก็เลยกลับกลับไปวัดไปหาท่านพระโลสกะเป็นยังไงท่านมือนี้เป็นยังไงบ้างอะไรครับบาทเมื่อกี้อ้าวไปไหนแล้วละ่ะบาทไม่เห็นมีอะไรเลยครับเฮ้ไม่มีใครเอาอาหารมาให้เหรอไม่มีเลยครับ ก็เลยไปถามตามหาลูกศิษย์องค์ที่ฝากบาทมาผมลืมครับว่าท่านอาจารย์สั่งมาเอาออกบาทมาให้ใครก็เลยเลี้ยงพระในวัดไปเลยโอ้วิบากท่านมากจริงๆท่านก็ดูนาฬิกาเอ๊ะไม่มีตอนนั้นไม่มีนาฬิกาดูแดดสมัยก่อนต้อง that, นะดูแดดนะดูแลใกล้เที่ยงยังมีเวลาท่านก็อุสานะส่งเคราะห์ลูกศิษย์ตัวเองนะบินบาทสามรอบแล้วนะเนี่ย รอบที่สามท่านไม่ไหวเดี๋ยวถ้าเดินไปด้วยวิธีธรรมดาได้นะไม่ทันแดดมันจะคล้อยมากลายเป็นเลยเที่ยงแล้วกลับมาให้ท่านฉันไม่ทันก็เลยเหาะไปเหาะไปเอาอาหารที่ดีเลิศที่สุดในเมืองนี้ก็ต้องไปที่หวังไปหาพระเจ้าเปรตนาธิโกศลพระเจ้าเปรตนาธิโกศลเห็นว่าพระสารีบุตรอุ้มบาดมาด้วยมาตอนนี้มาบินธบาอาว เลยเวลาอย่างนี้คงไม่ได้ต้องการอาหารคงจะได้อาหารแล้วก็เลยใส่บาทด้วยเนยใส่เนยข้นน้ํามันน้ําพึ่งน้นําอ้อยเข้าใจว่าท่านต้องการเพสัตห้าที่ไปฉันหลังเที่ยงได้ใครเคยบวชจะรู้เพสัตห้าอย่างที่ฉันหลังเที่ยงได้ภาษารีบุตก็รับดีกว่าไม่มีไม่ได้ข้าวได้เพสัตห้ามาแต่ก็เต็มบาทรนะเต็มบาท ท่านก็เหาะมาไม่กระชอกเลยไปเหาะนิ่งมากเลยนะนิ่งมาถึงที่กุฏิก็จะอะ่นิมนต์ท่านฉันไม่กล้ารับครับของท่านฉันเถอะเราให้พระโลสกะก็จะรับบาทภาษารีบุตรก็ว่าไม่ต้องรับบาทเราถือนี่แหละแล้วท่านให้ท่านฉันจากจากบาทที่เราถืออยู่ เพราะว่าถ้าหลุดจากมือผมไปนะมันจะหายหมดแน่นอน <laughs> วิบากท่านนะทำไปขนาดนั้นนะท่านก็ผมไม่กล้าไม่กล้าก็ต้องกล้าแล้วในมือสุดท้ายแล้วนะหฉันไปตกลงท่านก็ฉันฉันจนอิ่มอิ่มเสร็จแล้วท่านก็อยู่ได้พักเดียวก็มรณะภาพถ้าพูดได้ถูกก็คือนิพพาน <c oughs> นิพพานไปเป็นมือเดียวในชาตินั้น ที่เกิดมาแล้วฉันได้อิ่มกินได้อิ่มวิบากอะไรมันแรงขนาดนั้นวิบากอะไรวิบากด้วยว่าริศยาริศยาคนอื่นทำให้ทำบาปใหญ่บาปหนึ่งชาตินั้นเนี่ยท่านเป็นพระเป็นพระเจ้าอาวาส ด, ด้วยเป็นพระเจ้าอาวาส ด, ด้วยนะไม่ใช่เจ้าอาวาสทุกองคจะเป็นอย่างนี้นะ เป็นพระเจ้าอาวาสแต่เจ้าอาวาสรงนี้เนี่ยนะมีทายกประจำวัดเนี่ยวันหนึ่งทายกนั้นเนี่ยพบพระรูปหนึ่งหน้าศรัทธาท่านก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารแล้วก็ถามว่าจะไปไหนต่อหรือเปล่าต้องการที่พักไหมผมมีวัดดีนี่ผมมีวัดดีมีสกุติหน้า น่าอยู่แล้วก็น่าที่จะปฏิบัติทำได้ดีพระท่านก็บอกว่าเออเราก็ไม่มีเป้าหมายที่ไหนหรอกถ้ามีที่อยู่เดี๋ยวเราก็จะไปอยู่ mm hmm. ก็เลี้ยงอาหารแล้วดูแล้วว่าท่านเนี่ยดูมีปฏิปทาหน้าเริมใส่ก็นิมนต์ไปไปแล้วก็จัดแจงที่อยู่ให้แล้วก็นิมนต์ให้พรุ่งนี้ไปรับบาตรอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเจ้าบาต ไปแล้วก็ไปกราบระเจะเอาวาตบอกว่าผมขอฝากพระองค์นี้นะครับมาท่านท่านเดินธุดงผ่านมาผมเห็นเข้าหน้าเลื่อมสายผมก็เลยนิมนต์เมื่อเช้านี้ผมก็ได้ถวายอาหารไปแล้วแล้วก็ถวายผ้าจีวอลผ้าสบงให้ท่านใหม่แล้วถวายเครื่องเครื่องบริขารต่างๆให้ท่านเรียบร้อยแล้วและพรุ่งนี้ก็ขอฝากให้ให้ท่านติดตามมารับบาทด้วยนะครับ พระเจ้าวาดฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โยมนี่รู้สึกออกนอกหน้านะศรัท ธ, ธาองค์ใหม่ออกนอกหน้าดูเหมือนว่าศรัท ธ, ธาที่เคยให้กับเราเน้น้อยลงดูพระคิดอย่างนี้นะพระเจ้าวาดองค์นั้นคิดอย่างนั้นก็เลยรู้สึกริษยาสิ่งที่พระใหม่องค์นั้นไม่ใช่พระใหม่เป็นพระเถระแต่มาใหม่พระรูปนั้นได้รับ ถ้ารูปนั้นอยู่นี่นนะลาบสการะที่จะเกิดจากเราหรือว่าความเอาใจใส่ที่โยมจะให้กับเราเนะี่ยคงจะน้อยลงคงจะหันเหไปสนใจพระเถระรูปนั้นมากกว่าทําอย่างไรที่จะให้ท่านไปจากที่นี่เร็วๆนี่ด้วยจิตลิศยานะลิศยาลาบสการะที่มีเกิดเกิดแก่ผู้อื่นจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่ได้น้อยลงนะแต่ลิศยา สิ่งที่ผู้อื่นได้ก็เลยพอถึงตอนเย็นปกติพระเนี่ยจะมาฉันน้ำปานะฉันน้ำปานะท่านก็กะว่าจะบอกกติกาอะไรเข้มเข้มแล้วนะให้ท่านเนี่ยฟังแล้วรู้สึกว่าอยู่ได้ไม่นานหรืออยู่ไม่ได้เลยต้องรีบไปปรากฏว่าพระที่มาใหม่เนี่ย ไม่ใช่พระธรรมดาเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็มียานรู้ด้วยพอรู้ว่าเดี๋ยวตอนฉันน้าปา น, น ะ, ะ, ะ เ, าาเนี่ยนะพระเจ้าอาวาสเนี่ยมีแผนว่าจะพูดอะไรที่ไม่ดีเพื่อให้เราอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่เปิดโอกาสให้ท่านได้พูดคําที่ไม่ดีเหล่านั้นนี่กรุณานะก็เลยยอมอดไม่ยอมไปฟังในโรงน้ําปานะอยู่ที่กุฏิอย่างเดียวไม่ไป จ้าวานก็เลยไม่ได้โอกาสที่จะพูดเอาละแผนสองจ้าวานมีแผนสองเช้าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปองค์เดียวไม่ชวนพระอาคารุกะเนี่ยไปด้วยแต่ทํำยังไงที่เราจะมีข้ออ้างว่าเราชวนแล้วเช้าขึ้นมาพระจะตีะระฆังเพื่อจะเรียกพระทั้งหลายเนี่ยไปบิณทบาทจ้าวานก็ไปเคาะด้วยเล็บละระฆังนั้นเอาเล็บเคาะ ทำเป็นกริยาว่าได้ได้ทำให้ระครังมีเสียงแล้วแต่แบบเบาๆเอาเล็บไปเคาะแล้วก็ไปเคาะที่ระครังนะเสร็จแล้วสักครู่หนึ่งก็ไปเคาะที่ประตูเอาเล็บนะไปเคาะประตูเบาๆกลัวก็จะตื่น <laughs> จะได้ไปอ้างว่าเคาะระครังแล้วเคาะประตูแล้วด้วยไม่ยอมออกมา <c oughs> ก็ไปที่บ้าน <c oughs> บ้านของโยมโยมก็ถามอ้าว พระองค์เมื่อวานทําไมไม่มาสงสัยโยมจะเลี้ยงหนักไปเมื่อวานนี้ฉันอิ่มแล้วคงนอนสลบสไลดยไม่ยอมตื่นเลยตื่นสายอาตมาก็ไปเคาะระครังแล้วนะไม่ยอมลุกขึ้นมารอสักพักหนึ่งไม่เห็นลุกมาไปเคาะกุฏิแล้วก็ไม่ยอมลุกขึ้นมาเงียบสงสัยพระที่เธอศรัทธาเนี่ยคงไม่ได้มีดีอะไรเท่าไหร่หรอกว่างี้เลยนะโอ้สงสัยท่านจะโยมก็ไม่ได้คิดอะไรไปตามอย่างที่เจ้าวาด ชี้นาบอกว่าโอ้สงสัยท่านจะเดินทางมาเหนื่อยไม่เป็นไรครับผมฝากอาหารข้าวมัทุ ป, ปายาตอย่างดีทําถวายท่านด้วยตรงนี้แล้วก็ฝากเผื่อไปท่านให้ท่านด้วยท่านฉันตัวนี้ให้อิ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวล้างบาตรเรียบร้อยแล้วใส่บาตรให้เต็มด้วยข้าวมัทุ ป, ปายาตนั้นฝากถวายพระกัณฑกะองค์นั้นด้วยเจ้าวา่าก็โอ้โหออกจากบ้านมาแล้วนะออกจากบ้านโยมแล้วนึกในใจ อาหารอย่างนี้นะถ้าถึงมือพระองค์นั้นนะถ้าท่านรู้ว่าที่นี่มีอาหารดีอย่างนี้ให้ช้างฉุดเนี่ยก็คงไม่ออกจากวัดนี้ให้คนมาลากให้ช้างมาฉุดก็คงไม่ออกจากวัดนี้คนจะอยู่คนจะอยู่นอกวัดคนจะอยู่วัดนี้อีกนานเลยคงจะไม่ย้ายไปไหนแลวเราก็คงจะเสื่อมลาบลิษยายังลิศยายอยู่แลว ย, ยังไม่อยากจะให้เขาได้ ข้าวมรุภะญาติข้าวมรุภะญาติเคยกินไหมไม่เคยกินเนาะโอ้หุงด้วยนมและเนยหอมตัมมาไม่เคยเหมือนกันนี่ว่าตามตำราเดี๋ยวจะมาริษยาตมมาไม่ได้กลัวกลัวไม่ต้องเป็นอาหารชั้นเลิศ เลิศที่สุดเท่าที่คนจะหาได้ในยุคนั้นพระเจ้าวาดมาก็เรียกว่าทํำยังไงดีเราจะไม่ให้อาหารนี้ถึงมือพระอาการถูกกจะไปทิ้งที่ไหนดีจะไปทิ้งข้างทางเดี๋ยวคนจะมาเห็นมีหลักฐานจะไปทิ้งในน้ําไม่ได้เพราะว่ามหมุนด้วยนมและเนยจะมีคราบเนยลอยมาไม่ได้จะมีหลักฐาน แสดงคนเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ทิ้งขยะในน้ำนะมีอะไรแปลกปลอมเนี่ยก็จะสังเกตเห็นเลยแล้วก็คงจะทวงกันว่าอะไรอะไรอะไรเกิดขึ้นขึ้นมาจะไปทิ้งที่ไหนดีโยนขึ้นฟามันก็ตกลงดิน <c oughs> เดินไปเดินมาเจอเขากำลังเผาเผากองฟางไม่ใช่ยุงข้าวนะไม่ใช่เขาทำลายหลักฐานหรือเผาอย่างนั้นไม่ใช่ สมัยนั้นยังไม่มีสมัยนั้นก็แค่มีฟางแล้วก็จะเผาฟางฟางมันเยอะเห็นเขาเผาฟางอยู่ไม่มีคนเฝ้าก็เลยเอาไม้งัดไม้งัดใกล้กองคือเห็นเขาเผาฟางใช่ไมมันจะเป็นกองสุมอยู่แล้วก็ไฟก็คุก ค, คุไปเรื่อยๆก็งัดแล้วก็เทนี่ทาลายหลักฐานที่เป็นน้ำมันก็จะเป็นเชื้อเพลิงออกไปที่เป็นข้าวก็เด๋ยบหมกอยู่นั่นแนะไม่มีใครรู้แล้วลนะ่ะ เรียบร้อยสบายใจกลับวัดกลับวัดเสร็จไปดูกุฏิยังปิดอยู่เลยโอ้สงสัยนอนหลับจริงๆด้วยแหละแล้วก็ไปดูโอ้ไม่มีใครอยู่แล้วเปิดประตูไปดูนะไม่มีใครอยู่แล้วเก็บกุฏิเรียบร้อยเอหรือว่าท่านรู้รู้ว่าท่านรู้ว่าเรามีจิตดิสยาอย่างนี้ไม่อยากให้ท่านไปด้วย เมื่อเย็นนี้ก็กะว่าจะพูดอะไรกับท่านท่านก็ไม่เห็นมาเช้านี้ว่าจะเล่นท่านแบบนี้ท่านก็ไม่เห็นไม่โผล่มาเลยแล้วหายไปเลยเก็บกุฏิเรียบร้อยบาทจีวรไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีวิแววแต่ทุกอย่างเก็บเรียบร้อยหมดหรือว่าท่านจะรู้ตัวเองเนี่ยก็ประพฤติปฏิบัติมานะ ทำสมถาก ร, รมฐานวิปัสสนากรรมฐานแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะได้มรรคผลแต่เผลอพลาดไปเห็นคนอื่นได้ดีแล้วไม่จิตฤิษยาแล้วพลาดพลาดทำบาปไปไม่ถึง24ชั่วโมงเลยเหตุการณ์เนี่ยนะไม่ถึง24ชั่วโมงเลยนะจากเย็นวันนั้นจนถึงส า, สายของวันหนึ่งอีกวันหนึ่งวันลุกขึ้นพลาดทำไปเนี่ยรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยพลาดไปแล้ว ถ้าท่านเป็นพระอรหันเนี่ยเราบาปหนักเลยเสียใจปรากฏว่าความเสียใจจากที่ตัวเองทําผิดพลาดเนี่ยนะทำให้ท่านฉันไม่ได้จำวัดไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับเนยนะปรากฏว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยท่านก็ผายผอมลงไปคนทั้งหลายจะเห็นท่านเนี่ยอยู่ในสภาพเหมือนเปรตเคยเห็นเปรตไหมเคยไหมไม่เคยเห็นนะใครเคยเห็นเปรตบ้าง อาตมาก็ยังไม่เคยเห็นแต่เขาบรรยายว่ารูปร่างลักษณะคือผอมๆผอมผอมลงผอมลงผอมล ง, มล ง, มลงจนคนทักว่าเหมือนเปลลดแล้วก็มนานัภาพแล้วก็ตกนรกแต่บุญที่ท่านได้ทําตอนเป็นพระปกติที่ยังไม่ลิสยาเนี่ยนะก็ส่งผลให้ท่านได้เกิดมาเป็นคนในยุคที่พระพุทธเจ้ามาอุบัติ เกิดมาเนี่ยบุญจากการที่ได้เจริญกรรมฐานจะให้มาเป็นมาเป็นผู้เจริญกรรมฐานต่อในชาตินี้ก็ได้มาเป็นคนถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยคงไม่เป็นหมาเป็นแมวอะไรคงไม่เจริญกรรมฐานต่อได้ก็มาเป็นคนแต่บาปที่ทำเอาไว้แค่ไม่ถึงยี่ชั่วโมงนั่นนะนะนะทำให้ท่านต้องมาเกิดในตระกูลจันทานรู้จักจันทารไหมอินเดียจะมีวันณะอยู่สีนน่วรรณะนะ กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานนั้นเป็นทุกพวกนอกวนะันละใครเห็นแล้วก็จะยี้เห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นอัปมงคลต้องทํางานประเภทว่าขอทานหรือไม่ก็ไปล้างส้วมทํางานหนักทํางานสกปรกที่คนอื่นก็ไม่ทํานิสัยคนอินเดียจึงรู้สึกว่าเข้าส้วมไม่ต้องล้างเดี๋ยวจันทานจ ะ, จะมาล้างให้ใครเคยใครเคยไปอินเดียบ้างมีไหมเคยนะ สวมอินเดียเนี่ยนะจะมีลักษณะพิเศษคือเข้าแล้วถ้าแสดงความเป็นชนชั้นสูงเนี่ยนะไม่ต้องล้างล้างเฉพาะร่างกายตัวเองพอนี่ยังดีนะร่างกายตัวเองยังล้างอยู่นะสิ่งสกปกทั้งหลายในส้วมนั้นเดี๋ยวจะมีจันทันมาทําความสะอาดให้ในนี้จันทันเขามาทําให้เป็นเวลามันก็เลยหมักหมมอยู่นานเราเข้าไปนี่เรารู้สึกว่าโอ้ทนไม่ได้ ซวมที่ดีที่สุดคือซ่วมลงโล่งซ่วมลงโล่งคือตามทองนาไปอยู่ในตระกูลจันทานไปเกิดในตระกูลจันทารขอทานขอท า, า, านนี่ก็ลำบากใช่ไหมเป็นอยู่ในตระกูลที่ยากจนลำบาก <S <S พอท่านไปเกิดในตระกูลจันทานครอบครัวหนึ่งปรากฏว่า ตะกูลจันทานเนี่ยอยู่เขาอยู่กันเป็นหมู่บ้านนะไปอยู่รวมกันในนอกเมืองจะไปที่อื่นไม่ได้เพราะว่าคนอื่นจะรังเกียจก็ตั้งเป็นชุมชนหรือเป็นนิคมจันทานขึ้นมานิคมหนึ่งปรากฏว่าพอไปเกิดในหมู่บ้านหรือนิคมจันทานอันนั้นเนี่ยนิคมจันทานก็เกิดเรื่องที่ไม่ดีเรื่องร้ายๆไฟไหม้พ ร, ราชามาริบหรือว่า ไปขอทานแล้วไม่ได้ไม่ได้ทรัพย์โจรปล้นโจนยังมาปล้นจันทานก็เลยคิดว่ามันต้องมีคนกาลกินีคนที่แบบว่าใช้ไม่ได้มีบาปหนักมาเกิดในตระกูลเราในในหมู่บ้านเราแน่เลยทำยังไงดีที่จะหาว่าใครเป็นคนกาลกินีมาอยู่ในหมู่บ้านเราก็แบ่งเป็นสองพวกสมมติว่ามีพันพันครอบครัวก็แบ่งเป็น ฝั่งหนึงอยฝั่งหนึ่งห้าอยแบ่งกันไปแล้วก็ฝั่งนี้ไปทำงานอะไรก็ทำไปฝั่งนี้ไปทำงานทำอะไรก็ทำไปดูว่าใครยังเป็นปกติใครยังฉิบหายเหมือนเดิมนะปรากฏฝั่งที่ท่านอยู่ก็ยังฉิบหายฝั่งที่แยกไปแล้วเป็นปกติเลยเริ่มเห็นว่าเออใช่ต้องมีคนที่เป็นตัวการะกินีเกิดขึ้นก็เลยแบ่งไอ้ฝั่งที่เป็น ท่านอยู่เนี่ยห้าร้อยเนี่ยแบ่งเป็นสองร้อยห้าสิบแบ่งครึ่งแบ่งไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ยังฉิบหายอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะแบ่งไปแบ่งมาจนเหลือครอบครัวท่านครอบครัวเดียวรู้เลยว่าสามคนเนี่ยพ่อแม่ลูกเนี่ยมีคนหนึ่งคือกาเลกเป็นการากินีพ่อแม่เนี่ยเกิดมานานไม่เห็นเป็นไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นไอ้ลูกนี่แหละแต่พ่อแม่น้ําใจพ่อแม่นะ ไม่ทิ้งลูกนะเพราะว่าลูกเนี่ยยังเป็นทารกแบเบาะอยู่ก็อุตส่าห์ไปขอทานเลี้ยงลูกขอไม่ได้ก็ต้องไปหากินแบบว่าด้วยความยากลำบากแต่ก็เลี้ยงจนกระทั่งว่าเริ่มรู้เดียงสาคนเด็กกว่าจะรู้เดียงสาไกี่ขวบประมาณสักเท่าไหร่สี่ห้าขวบได้ไหมพอจะรู้เรื่องนะ น, นะพอจะวิ่งไล่อะไรได้เนี่นนะ พอเริ่มรู้เดียงสาแม่และพ่อก็เอากะเบื้องให้แผ่นหนึ่งลูกลูกไปหากินเองนะพ่อกับแม่เนี่ยอาตาคัดมากเลยตลอดเวลาห้าปีที่เลี้ยงลูกมาเนี่ยถ้าลูกมีบุญพอคงจะมีคนให้ทานกับลูกต่อแต่พ่อแม่นี่ไม่ไหวแล้วอยู่กับลูกนีด ไม่เคยลำบากนี้มาก่อนเลยเป็นขอทานมาทั้งชีวิตเนี่ยนะไม่เคยลำบากนี้มาเลยพอลูกมาเกิดเนี่ยลำบากมากเลยอย่าว่าพ่อมากแม่เลยนะแต่ลูกก็ไปหากินเองดีกว่าอยู่ด้วยกันสามคนเนี่ยจะพากันตายทั้งหมดก็มอบกระเบื้องให้แผ่นหนึ่งไปหากินเองพ่อแม่พอทิ้งลูกไปแล้วก็เริ่มหากินได้เริ่มขอทานได้เป็นปกติส่วนลูกก็ยังเป็นปกติคือหาอะไรกินไม่ได้ไปกินได้ตามที่เขา เตรียมจะล้างหม้อแล้วหม้อข้าวที่เขาจะเตรียมจะล้างแล้วนะี่ยไปหาจากนั้นนะ่ะ พ, พวกที่ค้างๆติดก้นหม้อหม้อแกงที่เตรียมจะล้างแล้วหรือว่าไอ้ที่ภาชนะแตกมหลนแตกพอดีอาหารตกหมดแล้วทิ้งขยะไอ้คราบคราบอาหารที่ติดอยู่กับไอ้ที่แตกๆเนะี่ยกินอย่างนั้นอาศัยกินอย่างนั้นนะแล้วภาษาลีวุตไปเห็นเขา กินอย่างนั้นอยู่สองปีจน7ขวบจึงได้มาบวชเป็นเนรด้วยริษยาแต่มียังมีบุญอยู่ว่าท่านเคยเจริญกรรมฐานสมถกรรมฐานด้วยปัสนกรรมฐานยังมีนิสัยที่จะทำความสงบจิตได้ยังมีนิสัยที่จะเจริญปัญญาต่อได้พอมาได้อาจารย์ดีอย่างพระสารีบุตรท่านก็ทำอรหันอรหัรหตผลให้เกิดแต่เป็นพระอรหันตแล้วก็ยั ง, ยง ไม่ค่อยมีลาบนะบาปทำแป๊บเดียวพลาดนิดเดียวนะแค่ไม่รู้ทันความลิสยาของตัวเองเท่านั้นเองแม้จะเป็นมียศเป็นใหญ่สุดในวัด <S 2> <S 2> <S ก็จะตกนรกได้ทันทีเลยเพราะนั้นความเป็นยศใหญ่มีลาบมากในขณะนี้ไม่ได้เป็นหลักประกันที่ว่าอนาคตจะเป็นคนดีหรือจะได้ดี หรือจะไปที่ดีแค่ไหนมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นแล้วรู้ทันหรือเปล่ามีกิเลสอะไรเกิดขึ้นแล้วรู้ทันหรือเปล่าอย่าให้กิเลสที่เกิดขึ้นนั้นโตโ ต, โตจนพาเราไปทําผิดแล้วมันไม่ต้องผิดมากผิดนิดเดียวผิดไม่นานเลยไม่คุ้มกันเลยกับสิ่งที่ที่พลาดไปถ้าเรายุคนี้ก็ไม่รู้ว่า องไหนเป็นพระอาหารหันต์บ้างเราไปทําร้ายท่านก็บาปมากถ้าทํานไม่ใช่พระอาหารหันต์เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกิทาคาเป็นพระโสดาบันหรือไม่ใช่เป็นพระโพธิสัตว์ทํากับพระโพธิสัตว์ก็ตกนรกได้เหมือนกันนะอย่างพระราชาที่ไปทําร้ายขันติวาธีดาบท ตกนรกทันทีเลยทำร้ายมากก็จะตกนรกลึกทำร้ายน้อยหน่อยก็ตกนรกตื้นหน่อยถ้าดีก็ไม่ควรทำเลย